ความชั่วความชั่วก็ให้พร น, นั่นเป็นธรรมชาติแต่เรื่องให้พรมีอยู่เพราะเป็นสัมมาวาจาวาจาชอบพระพุทธศาสนาเป็นสันทีิภาพถืออะไรเป็นเกณฑ์ราาถือธรรมาทิฏิปไตยเป็นเกณฑ์ไม่ใช่โลกาทิฏปไตย ไม่ใช่อัตตาธี่ปฏายความเห็นตนเป็นใหญ่โลกาธี่ปฏายความเห็นโลกเป็นใหญ่อัตตาที่ปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ประชาชนที่ปไตยความเห็นประชาชนเป็นใหญ่โลกาธิ่ปฏายเห็นโลกเป็นใหญ่ประชาชนความหมายความว่า ประชาชนแต่ละประเทศคำว่าโลกาก็หมายความว่าโลกเป็นใหญ่ีที่นี่ความเห็นของโลกผู้ใดอยู่ระดับใดก็ดึงไประดับนั้นความเห็นของคนในประเทศเหมือนกันผู้ใดอยู่ระดับใดก็ดึงไประดับนั้นธรรมมาธิปไตยนี่ใครเป็นกรรมการก็กรรมและผลของกรรมเป็นกรรมการ อย่าปเอ็นกำและผลของกรำไปเมย์ได้เหตุดีตอนไหนผลก็ดีตอนนั้นเหตุชั่วตอนไหนผลก็ชั่วตอนนั้นต้องอาศัยรักเหตุผลพืชดีตอนไหนผลของพืชก็ดีตอนนั้นพืชชั่วตอนไหนผลของพืชก็ชั่วตอนนั้นกรำดีตอนไหนผลของกรรมก็ดีตอนนั้นกำชั่วตอนไหนผลของ กรรมก็ช่วตอนนั้นเหตุพืชกรรมชงเหาะกันเข้าได้ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็ชงเหาะกันเข้าได้เหตุพืชกรรมทำลงไปทางดีแล้วผลของเหตุผลของกรรมผลของพืชก็ไม่ต้องประสงค์ ก็ได้รับตามส่วนกวรค่าของเหตุกรรมพืชที่สร้างขึ้นไม่ว่าทางดีและทางชั่วเหตุรับตาผลก็มืดไม่อยู่ห่างกันพอข้าเหตุลืมตาผลก็ลืมตาเหตุพืชกรรมรับตาผลของเหตุพืชกรรมก็มืดเหตุพืชกรรมลืมตา ผลของเหตุพืชกรรมก็เห็นไม่ไว้แต่ตาฝาดหรือในที่มืดทํามันนี่เป็นธรรมฝ่ายพระพุทธศาสนาเป็นธรรมฝ่ายของพระพสมัพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นธรรมันยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข จริงนี้เป็นเหตุเห็นทุกอัธถันวิตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักวัสดุผลเป็นเหตุเห็นรู้จักวัสดเป็นผลอย่างเหตุอันนี้ทุกเป็นผลอย่างเหตุอันนี้แต่ใครเป็นผู้บัญญัติเหตุพื้นกรรมถูกก็พระมานพระพุทธเจ้าเฉพาะเดียวเท่านั้นเนือดอกนั้นมีกิเลสมากก็บัญญัติเข้าข้างตัว ชอบอันไหนก็บรรยัติเข้าข้างตัวว่าเป็นเหตุดีผลดีเช่นอวัยวะมุทุกประเภทก็บรรญัติเข้าข้างตั ว, วเป็นเหตุดีผลดีเหตุนั่นยินได้สร้างลงแต่เมื่อได้รับผลชั่วก็ยังไม่รู้ตัวอีกด้วยเพราะบัญญัติเหตุไม่ถูกรรบรรญัติบาระเพ็หน้าเป็นของหวานมันก็ต้องผมอยู่ตามธรรมชาติของมัน มันหยัดลุ้มูดพูดมาเป็นของที่ควรลุยมันก็ฝืนธรรมชาติมันญยัดว่ารุนชานเพลิงเป็นของที่ควรลงลุยมันก็หิดมันก็ไหม้ไม่หมทําไมโลกจึงวันละมานอยู่ทุกยามยากพรบ ชาวโลกขบพระพุทธศาสนาไม่แตกเรยียกว่าโมหะกติเรเอียงพระความเข่าโง่เข่าขบพระพุทธศาสนาไม่แตก็เรียกว่าโมหะกติเรเอียงพระควา ม, ามาาาไม่มมใคร่กันเรียกฉันทากติลำ เ, เอียง รังเกียจพระพุทธศาสนาแล้วไปรักใคร่รักที่อื่นก็เรียกว่าชั้นถารกติลาเอียงเพรความไม่ชอบกันเรียกโทสากติไม่ชอบพระพุทธศาสนานั่นเป็นลาเอียงแต่วรักรักที่อื่นก็เรียกว่าโทสาคติลำเอียงพราะเขา เรียกโมหะคติพระคบพระพุทธศาสนาไม่เต็มไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโมหะคตินำเอียงพระเขาเรียกอะไรเรียกล้ำเอียงพระกลัวเรียกพญาคติพยาตัวนี้เป็นตบะตมเผาพยาแปลว่าภัยคติแปลว่ากลัวภัย ถ้าเราจะเรื่ยมใช้พระพุทธศาสนาก็เกรงท่านผู้อื่นจะไม่ยินดีเราด้วย mm hmm. เกรงผู้อื่นจะทำลายเราด้วยจะไม่ให้คะแนนเราด้วย mm hmm. เราที่ออพยาคตินักติสีประการนี้ไม่ควรประพฤติเลยพระพุทธศาสนาทำไมชาวโลกจึงอนทละหมาน สามสี่ปีก็ตั้งกฎหมายสามสี่ปีก็ตั้งกฎหมายตั้งไม่แล้วเสียเลยถ้าเจ้าตั้งเขา้าข้างตัวทาเข้าพักของตัวมันก็ไม่ไม่เป็นธรรมแต่ว่าตั้งไม่ตรงดีก็ตามแต่ว่าเบ็ดพริว้วมันก็ไปไม่ทันอีกมันกันทำไมจึงเบ็ดพริว้ว กพระไม่มีทำอยู่ในจิตในใจมือถือปากมือถือสาบปากถือศีลมันก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันตั้งบรรทัดอะไรตรงสักเพียงใดก็ตามแต่เลื่อนไม่ถูกมันก็ใช่ไม่ได้ติถึงมรรทัดอะไตรงสักเพียงไหดใดก็ตามแต่เขียนหนังสือไม่ถูกบรรทัดมันก็ใช่ไม่ได้นั่น ดิงจะย้อนไม่ตรงสักเพียงใดก็าตามแต่สร้างตั้งเสาไม่เชี่ยงไม่ตรงกับดิงมันก็ไปไม่รอดอีกเดียวกันนั่นอืมาใส่หน้าต่างอย่างนี้มันก็ไม่ได้ฉากมันนี่นีนี่ น, น, น, นี่มันก็วิดเบือนทีนี่เนินกานเมืองเรื่องดีการเมืองเรื่องกิริต ไม่ให้พิกสุเป็นการบ้านการเมือก็ถูกอยแต่ว่าพิกสุไม่สอนบ้านสอนมือจะไปสอนผีตัวไหนอา้าวหน้าที่ของชาวชาวโลกทำอย่างไรบ้างทำต่อพระพุทธศาสนาหน้าที่ของชาวโลกทำต่อพระพิสุสมัมมณี มีดังต่อไปนี้หนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอระไรประกอบเมตตาสองด้วยวิธีคําคือพูดอะไรอระไรประกอบเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอระไรประกอบเมตตาสีด้วยความเป็นผู้ให้ปิดประตูคือห้ามแม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อามิตรทานพิกิตสามนัญนได้รับบํารลงเทนี้แล้วย่อมอนุพราะ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 บอกทางสวรรค์ให้ที่ห้ามาให้พระเป็นการบ้านการเมืองมันห้ามผิดไม่มีเนพระใจพี่ดกถ้าอย่างนั้นพระใจพี่ดกทั้งสี่ชั้้าเล่มเอาไปเผาไฟจริงซักหรือทั้งห้อยเล่มก็เอาไปเผาไฟจริงซักมันมีอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเแล้วพระใจพี่ดก คือคำสอนพระพุทธศาสนาคัดเอามาแต่เนื้อหาสาระอย่างพิษดารน้อยเล่มอย่างธรรมดาสี่สิบห้าเล่มแบ่งออกเป็นพระเวเนย์ที่เ็ทิบสองเล่มพระสูตรบ้างพระธรรมัตบ้างทำไมเราจึงอาบน้ำ ร่างกายมันสุขบกทําไมเราเชื่อปฏิบัติสิทธิเพราะจิตใจมันสุขบกเอ้าพระพุทธเจ้ามีจิตนั่นล้านพระองค์มาเป็นยุบยุบยุบยุบยุบยุบยยุบยยุบยุบจะมาในข้างหน้าก็เป็นยุบยยุบยุบมากกว่าร้อยโกฏพระองค์ล่วงไปแล้วก็มากกว่าร้อยโกฏพระองค์ เป็นโรคๆก็มีคำสอนอันเดียวกันสันทิภาพในในโลกทำเป็นโลกรบาลคุ้มครองโลกสองอย่างยืนหยัดอย่างนี้ไม่ใช่คุ้มครองประเทศคุ้มครองโลกอีกที่ด้วยที่นี่ เป็นภาษามาคิตเป็นภาษามาคตความละอายต่อบาปโอตสปะสะดุ่งกลัวต่อบาปสองข้อเท่านั้นปกครองโลกถ้าโลกไม่มีความยางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วจะตั้งกฎหมายไว้กี่ล้านล้านมันก็ไม่อยู่อูของทําไม่นําคำหนึ่งก็งหมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยชาวไตรโลกาอย่าประมาทพระพุทธศาสตร์ศาสนา เธอเนยอ้าพรพุเจ้าองในไหนๆก็มายืนยัดยืนยัดอันเดียวกันยืนยัดด้วยความเป็นจริงมันไม่เป็นอุปทานเพราะไม่ได้ยืนยัดเข้าข้างตัวและพักของตัวเหมือนดิงไม่ได้เข้ากับพักใดหย่อนลงอย่างนี้้วกรตรงเลยใครจะมาออกเสียงจ้างกันตั้งลัฐราชก็ตาม มดแผ่นดินว่าดิ่งไม่ตรงมันก็ไม่เป็นธรรมนั่นเครื่องวัดเครื่องตวงก็มือนกันและดับน้าก็มือนกันเครื่องวัดเครื่องตวงถ้าไม่โกงแล้วจะมาหา ม, ามันโกงก็ไม่ถูกฉากที่มันตรงแล้วเราจะกล่าวตัวว่าฉากไม่ตรงก็ไม่ถูกอันนี้ทะแยงมุมดูแล้ว มันทะแยงนี่ไปทะแยงนี่ทะแยงนี่ไปทะดงนี่มันได้กันเนี่ยจะมาออกเสียงทั่วทั้งไตโรกับท่าถ้าเรามันไม่ตรงก็ไม่ถูกนี่ก็ทะแยงไปจากนี่จากนี่นี่ก็ทะแยงไปจากนี่จากนี่มันตรงแล้วอันเดียวกั็ดีงทําอะไรไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดชาวโลกไปไม่รอดอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะปีนเกลียวพระพุทธศาสนานั่นเอง พระพุทธศาสนะเป็นวิชาสอนโลกสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิแล้วสอนพรหมสมบัติเต็มภูมิแล้วสอนนเนปานสมบัติเต็มภูมิแล้วจึ ง, งยืนหยัดว่าสัทถังสัพยัญชนะเกวราปริกุณังปฏิสุทธังพระมจริยังประคาเสสิบริบูรนทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะแล้ว ตัมมะหาปะคำวันตังอภิภูตยามตามมะหาปะคันตังศีรสารามามิเหตุนั้นจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้ด้วยก็โง่ตัมมะหังทำมังกรมือนกันตัมมะหังสังขังก็เรมอนกันซึ่งกลมกลืนกันเป็นเชือบสามกลียวแล้วนพุทธธรรมสงฆ์ก็กลมเกลืนกันเป็นเชือบสามกลีวเหนียวดั้งอยู่ที่ดวงใจของมนุษย์ที่เคารพนับถือ ที่บรรจุความดีคืออะไรก็คือใจเราดีๆนี่เองที่บรรจุความชั่วก็คืออะไรก็คือใจเราดีๆนี่เองใจเปรียบเหมือนครังกระเป๋าของความดีความชั่วเปรียบเหมือนเงินอยู่ในครั้งคราวใดเอาเงินปลอมออกค่า ของปลอมก็มาอยู่กระเป๋าปลอมนั่นข้าวใดเอาบาปออกค่าผลของบาปก็มาอยู่กระเป๋าใจข้าวใดเอาบุญออกค่าเป็นทุนผลของบุญหรือกําไรก็มาอยู่ที่ใจนั่นนั่นนั่นพระพุทธศาสนาสอนให้ย่นลงมาหาใจ ที่ใจมากก็มากออกไปจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจเปรมื่นสีพระธรรมขันเมฆมากก็มากออกไปจากใจทหารก็หาลงมาหาใจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านถ้าย่นลงมาก็ย่นมาหายับหน่วยใช่ไหมเม็ดสินเม็ดทรายจะมีในท้องมหาสมุทร หรือในแผ่นดินจากเพียงในกวก็าตามนับดูดูจะนับได้ไหมผู้ฉลาดก็นับได้เอกปฐวีธาตุหนึ่งดินพนยับต้นลงมาจะมีมากไปย่ตนลงมาเป็นดินเพ่าเป็นลักษณะแข็งแข็งธาตุนใดนมีลักษณะแข็งแข็งธานุนั้นเป็นปฐวีธาต วัตถิวัตถนนั้นที่เป็นภายในคือผลผลันหนังเล ย, ก ร, ย, เรยกระดูกเกื่อเนี่กระดูกว่าหัวใจตับปางปืดได้ปลอดไสใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นธาตุดินเอกวัตถิธาตุหนึ่งดินนับเล็ดหน้าดูรูลักษณะอันใดไม่เออบาบเรียกว่าอาโปธาอาโปธาตนั้นที่เป็นภายในคือดีเสด็น้ำเงือกเงือมันคนทท้นนาตาเปลวมานําลายนำหมกนำไข่คอนามูด หนึ่งน้ำยดลงมาสักธาตุใดมีลักษณะร้อนถ้านั้นเป็นเตโชธาเตโชธาตุนั้นที่เป็นภายในคือไฟที่ยังกายให้ออุน่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผา อ, อาหารให้ย่อยนี่คือธาตุไฟหนึ่งไฟ เอากอาอโปเอกเตโชธาตถ้าจะย่นลงมาเป็นธาตุถ้าจะว่าตามภาษามาคตกธาตุใดมีลักษณะพัดไปมาธาตุนั้นเป็นวายโยธาวายโยธาตุนั้นที่เป็นภายในคือลมพัดขึ้นวางบน ลมหาลมเลือลมอวกลมไอลมจามลมสะอึกลมพัดลมว่างจำลมพัดลงว่างจำคือลมอะไรคือลมถ่ายอุจจาระถ่ายวัชวะดันลมลมหายลม ลมในท้องนอกไส้ลมในลใําไส้ลมมัดไปตามตัวเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่นับลมนับเมเด็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนนับเม็ดดินน้ําไฟลม ด, ดูหนึ่งดินหนน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมแต่ว่าเขานับผิดมันก็ไม่ถูกถ้านับ หนึ่งสองสามไปจนถึงอสงไข็ผู้นับก็เป็นผีบ้าผู้นั่งเป็นกรรมการก็เป็นผีบ้าวันไหนมันจึงจะจบนั่นถูกไหมลุงปู่ท่านเป็นพุทุชนคนหนาอยู่เดี๋ยวนี้่อท่านเลื่อนชาติได้ไหมถ้าลุงปู่ต่อมาแล้วลึกชาติได้ แล้วหลวงปู่ก็จะอธิบายให้ฟังเจะว่าหลวงปู่ขี้โกงไหมเอ้ยลูกหลานเอ๋ยหลวงปู่ก็มีเกียรตดอยู่มากแต่หลหลวงปู่ก็สามารถนับชาติได้เพราะในปัจจุบันชาติมันเป็นทุกข์แล้วลูกเอ๋ยหลวงปู่เอาปัจจุบันชาติเป็นพยานหลวงปู่ไม่สงสัยในคําว่าชาติชาติแล้วจะมีกี่หมื่นกี่ล้านกี่อสงไขยก็ตามหลวงปู่ก็ตอบว่า ชาติเป็นทุกข์ลูกเอ๋ยเมื่อรู้ชัดว่าชาติเป็นทุกข์แล้วจะว่าหลวงปู่แล้วลึกแล้วลึกชาติทอนหลังได้หรือไม่ขําว่าชาติมันเป็นทุกข์แล้วลูกเอ๋ยไม่ต้องลํำบากไปคนดูเพราะเอาพยานปัจจุบันเป็นพยานแล้วลูกเอ๋ยเจะว่าหลวงปู่ถอดผิดมันก็ไม่ถูกจะเกิดกีดอีกกี่ล้านลานมันก็มีทุกข์ลูกเอ๋ย ความเกนหลูก็ เ, เห็นชัดไปในตัวความเก็บตายก็มาจากชาติความปรารถนาไม่ได้สมหวังก็มาจากกิเลสคือความหลงถ้าไม่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีท่านผู้ใดจะชนะความหลงของตนไปได้พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นคนโง่ อาบายยมุกทุกประเภทมันเป็นมนุษย์ริบัติลูกๆูกห ล, ลานหลานเอ๋ยอย่าพากพันไปล่วงละเมิดอาบายคําว่าอบายยมุก ค, คื อ, อยังไงมุกกะมุกกะก็แปลว่าหน้าว่าปากเป็นปากเป็นทางแห่งคทางชิบหายหรือชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากนะนะคําว่ามุกกะมุกกะก็บอกอยู่ตรงๆแล้วอบายยมุกอาบายามุก พวงโลกทั้งหลายบัญญัติผิดสิ่งที่ชิบหายบัญญัติ่าเจริญสิ่งที่เจริญก็บัญญัติ่าชิบหายมันก็ไปไม่รอดมันก็ไม่บาลหน้ากระทางเจริญทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอุดมคติเป็นหัวหน้าวัตถุนิยมก็ค่อยเป็นไปเอง ถ้าวัตถุถ้าอุดมคติไม่มีวัตถุนิยมก็พลอยเป็นขัดข้องไปด้วยเพราะอุดมคติเป็นหัวจักของวัตถุนิยมมีบัรอุ ด, ดมคติแล้ว วัตถุนิยมก็ไม่บัดเหมือนกันเพราะหัวจักเสียจริงแล้วนี่หัวจักคืออะไรก็คือใจเราดีๆนี่เองนอกจากใจไม่มีอันไรจะทำดีให้ใจนอกจากชั่วนอกจากใจก็ไม่มีอนไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นมีอิสระที่จะทำดีใจเท่านั้นมีอิส ร, ระที่จะทำชั่ว ทำชั่วตอนไหนไหนใจก็ good, in alike, เป็นผู้ได้ร <accepted. bons S 1> <ple> <flex> ับผลตอนนั้นนนทำดีตอนไหนไหนใจก็ได้รับผลดีในตอนนั้นนึกเมตตากรุณาในเดียวนี้ผลของความเมตตากรุณาก็มาเดียวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้จึงจะมานึกเวียดเวียนโมโหโทโสเดียวนี้ผลของความโมโหโทโสก็มาเดียวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้จึงจะมานั่นน่ะนั่น เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไปเจตกรรมและผลของกรรมไปทางใดละ่ะมันจึงจะหนีไปพ้นนั่นกรรมในใครก่อก็จิตใจเป็นผู้ก่อขึ้นใช่ไหมนายทุนคือใครก็คือใจของตนเองนี่เองใช่ไหมนี่นอกเข้ามาใส่ตัวแล้ว นอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะรู้เท่าใจใจเท่านั้นรู้เท่าใจใจเท่าอันั้นหลงใจถ้าใจไม่หลงใจจะให้ผีตัวไหนมาหลงถ้าใจไม่รู้เท่าใจจะให้ผีตัวไหนมารู้เท่าเหตุใจอันใดผลของใจอันนั้นก็นํามาหาใจ ใจไปทางดีผลของดีก็นำมาหาใจเหตุใจไปทางชั่วผลของใจก็นำมาหาใจใจใดไม่มีการมัวิตกความส่งเสริมในกามใจใดไม่มีพยาบาทวิตกความส่งเสริมในในทางพยาบาทใจใดไม่มีวิงหาวิหิงสาวิตกไม่ส่งเสริมในการเบียดเวียนใจนั้นถึงพระอนาคามีเลย ใจใดไม่ยึดถือตนว่าเป็นใจใจเป็นตนไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ไมไ่ยึดถือว่าปัจจุบันอดีตอนาคตเป็นตนตนเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ยึดถือสิ่งใดใในโลกใจนั่นข้ามทะเลหลงของเจ้าตัวไปแล้วธรรมพุทธศาสนาละเอียดขนาดนม้อ้าว พระรหารรักษาใจหรือไม่แต่พวกเรายังไม่พ้นทุกข์ทำไมรักษาใจมันก็ฟิดจริงจิงท่านผู้พ้นแล้วท่านรักษาไหมท่านก็ไม่รักษาถ้าพระรหารรักษาใจอยู่พระทหารก็เปรียบเหมือนคนคุมนักโทษก็เป็นทุกข์ใจจะตายเพราะเกรงว่านักโทษจะทําอันตรายแก่ตัวนวด จะรักหนีด้วยตนจะเป็นโทษด้วยเหตุนั้นพระหันจึงมาในรักษาใจเพราะใจไม่มีอุปาทานไม่มีใครไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่มีเหตุมีผลอยู่ในที่นั้นเพราะไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจไม่ยึดถือว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นเป็นผู้รู้เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าใจ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 อารมว่าใจนี้ควาศักวิ์วาจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตาลูกปัญนาพิจารณาธรรมที่เป็นปุบสนเลื่ออภรณ์เที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ควาักดิ์วาธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลือกทำ ม, มานุก ป, ปัดปัญญาแต่พวกเรามันมีกิเลสอยู่เ อ, เอเขามาข้าบขายอย่างนี้ไม่รู้จะกูหรือจนำเดี๋ยคนตายมาเลยว่า พระวิญามาอยู่ในเท่นันนั น, นถ้าเขามาเชกหัวนี่มิไม่รู้จะ ก, กูหรือโป้งเลยเล้าอะไรเล้ายึดถือส่วนพระทหารท่านมายึดถือท่านแยกออกเป็นท่านดินท่านน้ำท่านไทยแบบรวมทีนี้นักเลงดีต่อนักเลงดีไปเจอกันพะยะมกะ ถือว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ไปเจอภาษาดีบุตรใครไปเปื่อท่านท่านก็ไม่เชื่อท่านก็ยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เอา้าถ้าหากว่าท่านยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ท่านสำคัญว่าขันห้าเป็นพระอรหันต์หรือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือดินน้ำไฟลมจงกันเป็นกายเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันเป็นนามมีแต่รูปกับนามเท่านั้นท่านเข้าใจว่ารูปกับนามหรือเปลนพระหาหันไม่อย่างนั้นพระเจ้าข้าคาแล้วย้อนถามเฉียงซันค้าค า, าแล้ยถ้าอย่างนั้น ท่านหาพระรหัสนในรูปกำนามดูหรือเอา้าตั้งกายหาดูหรือรูปคืออะไรคือดินน้ําไฟโลชงกันเป็นกายเรียกว่ารูปผมขนเล็บวันหนังเนื้ออันกระดูกเนื้อในกระดูกมาหมอใจทับฟังฝึกไตปอดใช่ใหญ่ใชน้อยอหันใหม่อหันเก่านี่ธาตุดินเอามารวมมาห น, นี้ซะหนิธาตุน้าดีเสด็จน้องเลือดเหงือมันคนน้าตาเปลี่ยนมาทำลายนมกนํมไ ข, ข่พรนมูดนี่ทำหน้าเอามานี่ซะ ธาตุไฟไฟที่ยังกายอบุญไฟยังกายสุดลงไฟยังกายโผลว่าไม่ที่เขาอาหารให้ย่อยนี่แยกออกเป็นธาตุไฟซะลมพัดขึ้ื่อนบังโหลมพัดลงเมื่อต่าลมใ้ช่องลมในทรายลมพัไปตามตัวเรามาแจก็ออกทีนี่ธาตุดินน้ําไฟลมเอามารวมกันซะเป็นโูคขันที่นี่ไม่เห็นอะไรพระราหานเห็นแต่ดินน้ําไฟลมแล้วก็มารวมเป็นโูคขันเห็นแต่โูคขันทีนี้ หาพลังงานในเวทนาความเฉไวอารมณ์สุขทุกข์โมเบขาก็ไม่เจอไม่เจอเสียแล้วเพราะเวทนาความเฉไวอารมณ์สุขทุกข์โมเบขาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้แต่สลายไปอืหาพรลันงานในสัญญาความจําจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจำโผฏฐัพพะจำธรรมารมม์ก็เกิดแล้วก็ดับไปละ หาพระหั น, นสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตนึกคิดขึ้นแลวประดับไปลวไปลวไปล่วงไปล่วงไปก็ปปปมาเจอมาเจอพระพุทธศาสนาซักหาพระรหันในวิญญาณจักขูวิญญาณวิญญาณทางดวงตาอาศัยลูกระทบ ตาเกิดความรู้ขึ้นยกจักขู่วิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู่ขึ้นเรียกโรตมะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรุ่ขึ้นเรียกคานะวิญญาณอาศัยลมกระทบเลี้ยงเกิดความรุ่ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยฝะกระทบกายเกิดความรุ่ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรุ่ขึ้นเรียกมโนวิญญาณเกิดขึ้นในกระดับไปเอ้าท่านเห็นท่านเห็นไหม พระละหันขันห้า ก, ก็ดีพระระหันหันในรูปขันนดำขันก็ดีในธาตุสี่ดีนา้ำไฟลมก็ดีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีท่านเห็นพระละหันไหมเออไม่เห็นพระเจ้าข้าถ้าไม่เห็นพระละหันท่านยืนยันพระละหันตายแล้วศูนย์มันจะถูกไหมถ้ามีผู้ถามว่าพระละหันตายไปแล้วเป็นยังไงท่านจะตอบเขายัางไงตอบว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ ย, ยงนั้นดับไปแล้วครับจะตอบอย่างนี้เออดีละดีละดีละที่บัญญัติว่าพระทหารมีในโลกถ้านั่นองค์ท่านี้องค์เขาพูดเป็นบุคลาทิฐานเพื่อให้รู้จักความหมายครัไอ้ที่แท้พระทหารผีบ้าอะไรจะมาอยู่ในโลกพระโลกมันทุกข์มันเป็นกองทุกข์ ไปขึ้นแล้วก็แฟป่วนและแตกสลายไปนะก็พูดเป็นบุคลาธิษฐานเพื่อให้รู้จักความหมายคนใครอย่างนั่นก็ศูนย์ทีใครเป็นเจ้าของศูนย์ศูนย์อยู่ในวงแขนของท่านผูน้ใดก็ตกลงเป็นสัพเพทำมาอนัตตาตามเดิมใช่ไหมก็เป็นของว่างจากจักร บ, บุคคล ใครมาก็บอกว่าภูเขาภูเขาแต่มันรับหรือมันปฏิเสธก็ไม่ทราบมันวางเฉยก็ไม่ทราบแล้วไม่สามารถรู้มันได้คนอื่นมาก็บอกว่าภูเขาคนอื่นมาก็บอกว่าภูเขาก็ไม่รู้ว่าปูใครใช่ไหมก็เป็นเพียงสมมุติกันใช้กัารัูดข่าวดิฉันอือัตมาอัตมะอัตมาอัตมะอัตมาก็เรียกอัตมะก็เรียกอัตมาก็เรียกว่าใช้แทนคำว่าตนอัตมะก็เหมือนกัน เดี๋ยวนี้ดิฉันกับผมอืก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกับผมก็พูดกันตามสมมุติจริงตามสมมุติจะไปคัดค้านก็ไม่ได้อืบางท่านเอาสมมติแล้วไม่มุดมาคัดค้านกันก็บ้าเริงจริงเอาได้กับเสียมาคัดค้านกันเพราะเสียมันก็มาจากได้ได้มันก็มาจากเสียนั่น เรารู้สมมุติตามจริงของสมมุติเรารู้วิมุตติตามจริงของมุตต์แต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองพระบรมศาสตรเราเรารู้อดีตตามจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามแต่อาศัยปัจจ e ุบันเป็นเครื่องพิสูจน์ <UK>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 อดีตดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วจะเอาคืนไม่ได้อนาคตดีก็ยังไม่ทันดีชั่วก็ยังไม่ทันชั่วเพยังไม่มาถึงปัจจุบันดีกว่าดีในปัจจุบันชั่วกว่ชั่วในปัจจุบันนั้นเราเดินทาง <S 2> <S 2> <S 2> <S เขาขอระวังข้าเก้าวปัจจุบันเท่านั้นเก้อาอดีตเก้าวมาแล้วชนสนุกก็ชนมาแล้วไม่ชนก็ไม่ชนมาแล้วเก้าอนาคตก็ยังไม่ทันในเก้า จะชนหรือไม่ชนก็ยังไม่ทันในเก้าเขาก็ระวังเก้าวในปัจจุบันผู้ขับรถก็ระวังในปัจจุบันเท่านั้นอดีตร่วงมาเนี่อนาคตยังไม่มาถึงปัจจุบันถ้ามันออกหักออกแล้วก็หักเข้าเท่านั้นออกกับทาง เ, าเหตุฉะนั้นจึงสอนผู้ใดฉันทําในปัจจุบันผู้ใดแม้งอ่อนแง่กวนเครนผู้ใดไม่รู้ทําในปัจจุบันพระพุทธเจ้าจะมากี่น่าร่าพระองค์ก็ไม่เข้าใจความหมาย เห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตอนาคตจะจะสงสัยทําไมเห็นอนิจจังในปัจจุบันอนิจจังในอดีตอนาคตจะไปสงสัยทําไมเห็นอนิจจังขณะิเดียวไปเห็นโลกรอบหนึ่งใช่หรือไม่ครับโลกเต็มไปด้วยอนิจจังหเห็นทุกขณะเดึ่งก็เห็นโลกรอบไหนเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกอืม มันอยู่ในวงแขนของเราหรือไม่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่อยู่ในวงแขนของเราเราก็บอกว่ามันได้เท่านั้นวินาทีเท่านี้วินาทีมันก็ล่วงไปอย่างฝืนฝ่ายให้เราเห็นใช่ไหม <c oughs> มันไม่ละอายเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะตายกว่ามาเช่าวันเช่านี้เมื่อเช่านี่ใช่ไหมนั่นมันล่วงไปมันอยู่ในอำนาจของใครกันนั่นนั่น นั่นนั่นในสกุลในร่างกายเราต้องการไหมเราก็ต้องการให้มันหอมเหมือนไฮเป็กใช่ไหมนี่ทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นนั่นเราพอใจไหมแล้วก็ไม่พอใจอือจริง ท, ที่เราว่ามันอร่อยนั่นจริงเราก็ให้คะแนนมันอยู่วันเดียวคืนเดียวเอ่อร่วมเช่ามาเราก็ไปแ อ, อ, อนั่งถาย มีน well> ้ำซ้อมย่างมาถึงถึงรุ่งอีกคือว่าเราก็ไปรอบคะแนนมันตามเป็นจริงนี่บนน้ำลายปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดอยู่นั่งนั่งพระพุทธศาสนาสอนลึกซึ้งไหมใครเป็นผู้ประหาใครเป็นผู้หาหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นพระหันจําพวกเดียวหาไม่เจอไม่เจอ ไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยเหตุ น, นั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปสัอข้ามทะเลหลงข้ามที่ไหนก็หลงอยู่ที่นี่นอกจากไกไม่มีอะไรจะหลงใจถ้าไปข้ามทะเลหลงด้วยขาขาฉีกตายด้วยเครื่องวินก็หมดน้ำมันตายเดี๋ยวตกลงในทะเลเดี๋ยว็ชนภูเขาเหิมาไ่ะเดี๋ยวก็หมดน้ามัน นะคำสอนพระพุทธศาสนาลึกซึ่งไม่นะเหตุนั้นจึงไม่ควรที้โอต่อคำสอนพระพุทธศาสนามีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมจึงมีผู้ทำผิดพระพุทธศาสนาอันนั้นมันก็เป็นเรื่องแต่ของใครของมันใช่ไหมเนะอาใครมีผู้ ทมพระพุทธศาสนาให้เสื่อมได้หรือไม่รลปูก็จะถามย้อนไปอีกว่ามดาัดใจลัทธิเนี่ยว่านำลายขึ้นฟ้าได้หรือไม่รลปูก็ต้องถามย้อนเข้าไปอีกอเพื่อให้ตอบถ้าตอบว่ามีผู้ว่านาลายขึ้นฟ้าถึงอยู่ครับอย่างนี้ ผู้ตอบนั่นเป็นคนตอบถูกหรือตอบผิดถ้าผู้ว่าถ้าปฏิเสธแล้วไม่มีผู้ว่อนำลายขึ้นฟ้าได้ดอกครับมีแต่กระตกใสหน้าตนเองเพรานั่นจะตอบถูกหรือตอบผิดนั่นก็ต้องตอบถูกใช่ไหมลมพัดมาตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆมีผู้กาฝุ่นต้อลมได้หรือไม่ ถ้าโตไม่ได้มันจะไปไหนมันก็เข้าตาเข้าปากเข้าจมูกใช่ไหมนั่นมีผู้กว้างปลาคอนใส่ต้นเสาได้ไหมคว้างไกลมันไม่ถึงคว้างใกล้นักมวยเอกก็หลบไม่ทันใช่ไหมเร <c oughs> ื่อทุกวันนี้ทำไมจึงมีผู้ปีนกีเดียวพระพุทธศาสนาว่าก็ข้างพุทธการไม่มีกหรือ พระเทวทัตแผ่นดินสูบสุภพุทธะก็แผ่นดินสูบนางเกณจิก็แผ่นดินสูบผู้ทำผิดก็ผิดจริงผู้ทำถูกก็ถูกจริงพระพุทธศาสนาจริงเต็มจริงบริบูรณ์ผู้เหยียบไฟก็ร้อนจริง ผู้เ ว, ว้นก็ไม่รอนเหตุนั่นมันจึงเป็นของจริงในในด้านนี้เองนั่น <c oughs> ถูกไหมคนหนึ่งไปเหยียบไฟจะให้ไหมหมดทั้งใจรโวกามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นทั้งพุทธการสุภพุท ธ, ธะก็ลงนรกพร่เจ้าอชาติศัตรูก็ลงนรก นางกินจีก็ลงในรกนั่นทัพมานพก็ลงนรกทั้งเป็นถ้าผู้ใดทําผิดมันไม่ผิดอย่างนี้พระพุทธศาสนาก็ไม่มีพยานใช่ไหมเอา้าเพชรชาอุไปได้ไหมนั่นอ๋อไม่ช่วม้อยไปได้ไหมอ๋อนั่นนั่นถ้าหากว่าผลของการมไม่มีอำนาจนั่น ถ้าหากว่าผลของกรรมไม่มีอำนาจผลของกรรมที่ทำชั่วออถ้าหากว่าผลของกรรมที่ทำดีไม่มีอำนาจเนีลวปู่เทศไปขออะไรใครบ้างทำไมท ำ, ทำไมจึงไปทำอะไรอะไรให้ท่านแท้อไรอ๋อหลวงปู่มหาก็เหมือนกัน ท่านไปขอใครทำไมจึงเอาไปให้ท่านนั่งนันั่น่งถ้าว่าผลของกรรมในทางดีทางขั้วไม่มีรู้จักรู้จักรู้จักมาขี่ไหมรู้จักไหมรู้จักม้าขี่ไหมถ้าไม่รู้จักแล้วก็แล้วไป เขาถือว่าไม่ไม่มีบาปไม่บุญเขาถือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเมาส์เคียทีนี้เขาไปได้ไหมเขากระแจกไปเจอกันแล้วใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นใช่ไม่เอกนั่นใช่ไม่โซเขาเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมถ้ากรรมและผลของกรรมไม่ไปอยู่หลวงปู่ก็ไม่เชื่อพระพุทธศา ส, าสนาเหมือนกัน หมวกกังอนกปูไปยิงนกเขานกปูไปยิงนกเขานกกล้องเปลาอายุสิบห้าปีเดี๋ยวนี้มันระเบิดขึ้นเลยเป็นโรคถึงดําดีเป็นนี่ทำเป็นโรคหัวใจเอามะวะะนี่ไม่เชื่อจะพ่จะพ่นให้ดูนี่พูดมากแล้วนี่นี่นี่นั่นนั่นถ้าไม่เชื่อจะพ่นให้ดูนี่อืนกปูไปยิงนกเขา อายุสิบห้าปีเข้าที่ตีนนมเข้ามาในตาาในตนมของมันก็ตกก็แ ก, ก๊กก็แก๊กออกมาไม่รู้ก้องเปล่าที่พันโดยนุ่นลูกกก็ถอดออกใช่ไหมถอดลูกสอนนั่นออกก็ก็ก็กสองคำงเลยตายมึงเถมึงเถะกูอยู่ดีๆมึงมายิงกูทำไมมันจะว่าอย่างนั้นอยู่มาอยู่มาสองปันสร้สามสิบ เดินยกรมอยู่กระเบิดขึ้นนี่หัวใจเหงือแตกโชคโซนเกือบไปโรงพยาบาลศสีนกคกดินไม่ทันนั่นผลของกรรมถ้าผลของกรรมไม่มีหลวงปู่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะอ๋ะอหลวงปู่ได้เคยกอบอุจจระหลวงปู่มั่นอยู่สามปีอยู่สามปีหลวง ป, ปู่ไปปีไปอยู่กับปีที่หนึ่งท่านยังไม่ได้ป่วยมากปีที่สอง เราก็รับอาสาเอาอุจระขององค์หลวงปู่ที่ถ่ายพิษปกตินั่นไปทิ้งเราก็รับรองอยู่หลายสามปีมีองค์หลวงปู่มหาเปลี่ยนพยานมีประรัดเพลงทำกองเพลงเป็นพยานเยอะนี่ แต่หลวงปู่ก็ลงในหนังสือแล้วในชีควประวัติแล้วเหตุนั้นหลวงปู่มหาได้หลวงปู่เทศจึงไม่ได้ดุเราถ้ามันเป็นเรื่องขีเทศเนะี่ยเอาผลของกนนะารนั้นกรรมนั้นก็ตามมาเนี่ยหลวงปู่ป่วยอยู่ที่กุฏิหลังนั้นถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกเลยสวนก็ไม่ออกทําอะไรก็ไม่ออก พระพะก็ตัดเล็บมือดีๆแล้วก็เอาสบู่ทานี่ทานี่ทานี่แยงเข้าไปแยงเข้าไปในะะวันหนักน้องปูแล้วก็เกาะออกมาก็ออกมาลูกกูก็เบ่งออกก็ออกก็ออกก็ออกก็ออกเหมือนขี้กระต่ายนี่ก้อนก้อนขนาดนี้นะฮอ่แล้วจึงมาชั้นใหญ่นั่นคืออะไรก็คือ ผลของกรรมที่ขอบอุจจาระออเ้าต่อจากนั่นนายยังมีอีกนี่นี่นี่นี่ขามาเสียงทําให้หลวงปู่นี่หลวงปู่มาให้ทำเขาเสียงทาจนได้นี่นี่นี่นี่นี่ี่นี่เหลือนี้หลวงปู่ปล่อยให้หม่แล้วนั่นเหลือมาจะอันนี้น oh, uh ja. mm um> ั่นนั Link, ่นผลของกรรมมีในประจุบันชาติหนึ่งน่ ผลขกา ร, กก ร, รที่ทําดีก็มีในปัจจุบันชาติที่ทําช่วงก็มีในปัจจุบันชาตินะนะมีน้ํำซ้ำอันนั้นอีกอันหนึง่งเขานี่ยวให้ลูงปู่ไปอยู่นั่นเขาทําให้ลูกปู่อยู่ก็มีห้องน้ำห้องซ่วมอยู่ที่นั่นด้วยลูกลูกปูส่สระไอหมูแล้วมีอยู่ข้างล่างอีกอันหนึง่งหนึ่งสองสามสีสสส่ห้าหกกับเธอทศอ่ะคนคนเดียวนั่นนะ นี่ผลอันนี้แหละฝนของกรรมอันนี้แหละนี่ขอบอุญชระหลวงปู่มั่นนะทีนี่นนถ้ากระผมจะไปขอโอกาสท่านทำกระผมก็พรรษาอ่อนกว่าท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์มหาพรรษามากแล้วมันจะเป็นการข้ามกายกันเพราะให้ท่านอาจารย์มหาไปขอโอกาสกับพระอาจารย์ใหญ่ให้เก้าให้กระผมทำเก้าอี้ให้ ก้อี้กับผมทําเป็นอยู่กับผมเคยเป็นช่างไม้ทาเตียงทำจังอะไรกับผมเคยทําเป็นอยู่ถ้ากับผมไม่ทํามันก็ทับกับผมส่วนครูบาอาจารย์ไม่ทับเพราะเหตุว่าครูบาอาจารย์บวชมาแต่น้อยไม่ได้ลาสีขาผมบวชคราวที่เป็นคนหนุ่มที่ัฒาช่างเนนช่างพระนี่กับผมก็ลาสีขาผมก็มาบวชใน้สองวัน สี่ร้อยแปดสิบหกนี้พระนยาถึงแก่กรรมผมมาบวดทีนี้ผมเคยสร้างค า, ารวาถ้าผมไม่ทํามันก็จะทับผมครูบาอาจารย์ไม่ทํามันไม่ทับเพราะครูบาอาจารย์ไม่เคยสร้างคาววะแล้วก็พูดไปนี่ท่านก็เลยเออแล้วขอโอกาสท้านราจะทําเก้าอี้ถวายองค์หลวงปู่เออมันก็พอนั่งอยู่ก็มันเป็นไม้ไผ่ ค็กเค็กคอกเ ค, ก, คกอย่างนี้เธอว่าทนดูไม่ไหวแต่พวพเก้าทำให้เป็นเพราะบ้านป่าบ้านโดงสมัยนั้นไม่ได้อยู่ใกล้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้จังหวัด อ, อยู่ในกลางภูเขาตำบนนาในอำเภอพนานานิคมมันเป็นซอกเขาเดินวันยังค่ำจึงถึงไม่มีรถมีเรือเหมือนทุกวันนี่ ทุกวันไปนทางไหนก็ขึ้นรถหรือไปเลย <c oughs> ทีนี้ท่านก็บอกว่าเออถ้าจะทำก็ทำสักอย่าเอามาทำกลางวัดเอาเข้าไปทำในป่าของเราเพราะมันจะกระทบกระเทือนผู้ภาวนาหลวงปู่มั่ละเอียดถึงขนาดนั้นทำให้ท่านแล้ว ที่หลวงปู่มหากมามาเยี่ยมวัดเราเกงว่าองค์หลวงปู่มหาจะดุเท่านี้เขาอี้นั่นคงจะเป็นคงจะเป็นกับผมไปขอโอกาสท่านอาจารย์มหาทำให้องค์หลวงปู่มั่นก็อาจเป็นได้ทำไมจึงพูดอย่างนั้นลรกก่อนเพราะเกงว่าท่านจะดุ พวกผู้แทนมาประชุมกันอยู่นี่ดอกหรือ <ấy> ทำไมทาไมจะเกินไปแท้กเก่งว่าท่านจะว่าอย่างนั้นลอกลัดก่อนอท่านก็นเลยพ่นไปอันนีรท่านมาเห็นมาเห็นไฟฟ้าเพราะว่าท่านไม่มีไฟฟ้า อ, อไฟฟ้านี่าานนก็ก็ไม่ได้ร่นหอกเขามาถาม เขามาถามว่าลูกปู่ลุงปู่จะเอาไมา้แฟฟ้าเพราพัฒนามาถามก็ผมก็นิ่งอยู่แต่เขาอธิบายไปอีกว่าลูกปู่มาอยู่นี่นานแล้วแต่สองพันห้าร้อยติดติดกันมาลูกปู่ไม่ได้ไปไหนเลยกลางวันเสเเขะก็จะตกเหวตายอยู่แล้ว ถ้าองค์หลวงปู่ไม่ทำก็ใจจืดมากลูกๆร้านจะไปตกเหวเพราะกลางวันแจกแจกก็จะไปตกเหวอยู่แล้ว ừ, ก็ผมว่าทำหนะ้าหลวงปู่เราก็เนียงอยู่อีกเวลาเราจะตอบมาล้วก็ตอบยัดคืนเออทำหรือไม่ทำก็ถามพวกเธอดูๆเราก็พูดอย่างนี้ถามพวกคุณดู เ, เพราะหลวงปู่หาเงินไม่เป็น ตายตายี่ตายตายเพราะลูกผัวเงินไม่เป็นแขกเราข้อก็ไม่เป็นพูดลำเ ล, ลียงก็ไม่เป็นทีนี่เขาก็เลยทำทาขาทำมาทามาแล้วคุณโยมอรุณีมาเห็นก็เลยยุกยกอมดเขาทำมาเป็นเสาไม้ไผ่มีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำอันไหนขึ้นก็จะว่าบุญของตนหมดมัน มันจะไม่เป็นเพิ่มมาณทิติดอกหรือมีปัญหาสอดเข้ามาม า, มาอีกนี่ต่อปัญหานั้นเดี๋ยวนี้ว่าบุญของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นชั้นที่หนึ่งบุญของประชาชนและพระภิสูจน์สามเณรเป็นชั้นที่สองบุญของเราเป็นชั้นที่สามเรามีสิ่งที่บวกด้วยว่าอย่างนั้นหรอกก็ไม่มีที่แจงเหมือนกันใช่ไหม ของเรามีที่บวกด้วยว่าอย่างนั้นดรือที่นี่เมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วจะเป็นคนลืมตัวหรือไม่คำว่ า, าบอกว่าลู่่ลงปู่ทำกุฏิวิหารส า, ราลาโรคถงและรู้หลามันจะไม่เป็นเปรตมาเฝ้าหรือลงปู่ เราก็พูดเออสวรรค์มีอยู่ห้าชั้นขุมมโลค ก, ก็มีอยู่สิบหกชั้นสวยหรูร่ำกว่านี้มันอยู่ใต้อำนาจอนิจังหลวงปู่ก็ไม่ติดอืมันเกิดขึ้นแล้วได้หับไปมันอยู่ใต้อำนาจอนิจังเป็นท่านดินน้ำไฟลมทั้งนั้นหลวงปู่ก็ไม่ติดและอีกอย่างหนึ่งหลวงปู่ก็ไม่สําคัญตัวเป็นของหลวงปู่เลยนับแต่เข้าแม่ทักหลักเส้นหนึ่งจะมีน้อยมีมากก็เป็นเศษกระดาษด้นน้ำลายของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลูกเอ๋ย ไม่ใช่ของหลวงปู่มีน้อยก็เป็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพุทธบ ร, ริษัทมีมากก็เป็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพุทธบริษัทหลวงปู่ไม่สําคัญตัวมีอะไรเลยลูกเอ๋ยเพราะในใจโลกธาตุเป็นเศษกระดาษของพระหัตถ์ที่ข้ามโลกไปแล้วแต่พวกเรามันเป็นหนอนมาแย่งกันเหลวงปู่<ส><ญ>ปพี่นาถึงขนาดนี้แล้วเขากระลิกเขา่าว่า มีน้อยก็เป็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพุทธบริษัทหลวงปู่ไม่สําคัญว่าเป็นตกๆของตัวเลยคําสอนแต่ละวระบาตหลวงปู่ไม่เข้าใจว่าเป็นคําสอนของตนยืมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาพูดทางนั้นตลอดตั้งนโมแต่เมื่อลองปู่เป็นพระนั่งแล้วจึงจะได้ใช้ทั้งทุนทั้งดอกเบี้ย ด, ด้วยถ้าหลวงปู่เป็นพุะชชนอยู่หลวงปู่ก็ต้องเป็นนี่พระสมมาธิพทธเจ้าและพระธรรมและพระสงฆ์หุ่อย่างนี้ทีนี้ คำสอนแต่ละวรรบาตเป็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทางนั้นหลวงปู่ไม่ได้สําคัญตัวว่าเป็นคําสอนของตนท่านผู้ใดสําคัญว่าเป็นคําสอนของตนท่านผู้นั่นชี้โง่จะตายลหลักนะเพื่ออะไรเพืจะแต่งกินตะกวีเพื่อแต่งเรื่องจริงให้เครืองเพื่อให้ไพเราะในเชิงกราบจากเพียงในควมก็าาเอามาจากพระใจพิสดกนั่นเองเป็นแต่เพียงว่าเอามาทางตรงหรือทางอ้อมเท่านั้นหลวงปู่เอย่าออะไร จนมุมเลยคนหนึ่งก็มาถามอีกคนกรุงเทพเขาคุนเชื่องคับลูกปู่ลูกปูลูปูลูกปูปวดมาเพื่อปัจจัยสี่หรือไม่เอ้าผู้ถามก็มีหน้าที่ควรจะถามผู้ตอบก็มีหน้าที่ควรจะตอบแต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ต้องโปวดกัน พระเจดีมันเป็นเรื่องของคนอื่นเรามีหน้าที่บวชเราก็บวชเพื่อคนทุกข์ในวัฏจักรสงสารเรามีหน้าที่ไปบินถทวบาทเราก็ไปหน้าที่จะควรให้หรือไม่ควรให้มันก็เป็นเรื่องของผู้อื่นไม่ใช่เป็นเรื่องของหลวงปู่นี่พัะเจดีหน้าที่เขาจะให้หรือไม่ให้มันเป็นธิตของเขาหลวงปู่มีหน้าที่บวชก็ต้องบวชหลวงปู่บวชเพื่อคนทุกข์ในวัฏจักรสงสารไม่ได้บวชเพื่อ หวังพัดใจทีพัดใจทีถ้าหวังก็ตามไม่หวังก็ตามถ้าหวังเขาไม่เอามาให้พรพ้นเอาไม่ได้ถ้าไม่หวังเขาเอามาให้โดยเป็นธรรมก็เอาได้พราะมันเป็นกรมรมสิทธิ์ของมันเป็นกรมรมสิทธิ์ของผู้อื่นตัวอย่างนี้เขาก็เลยเกาหัวอย่างนี้แล้วปู่นี่ถามตอบสนุกดีเขวาว่า มเนจริงก็เป็นอย่างนั้นเรามามีหน้าที่ไปเป็นทัปปแล้วก็ไปส่วนชิปจะใส่ให้หรือไม่ใส่ให้มันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมอ่าเรามีหน้าที่หน้าที่แปล ร, รบธรรมะให้ฟังก็เป็นหน้าที่ของเราส่วนเขาจะให้คะเนียนเขาจะปฏิบัติเอาหรือไม่ปฏิบัติเอาก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหม เหมือนฝนฝนตกลงมาใครมีหน้าที่เอาก็เอาไม่มีหน้าที่เอาก็ปล่อยให้ไหลทะลุไปเลยใช่ไหม <c oughs> เราไม่ถือสาคัญว่าเป็นคำเทศของเราเป็นคำเทศของพระธรรมสัมพุทธเจ้าเรายืนของท่านหมาใชายย้เฉยธารมะไม่เบือนเ็จด้วยการบริจากทางจิงเป็นที่ตั้งแห่งการบาเพ็ญบุญเรียกบุญกิจยาวัตุมีสิบอย่าง หทานะไม่บรสําเร็จด้วยการบริจาคทานสองศีลละไม่บรสําเร็จด้วยการรักษาศีลสภาวนาไม่บรสจมเร็จด้วยการเจริญภาวนาสอัปญญาณะไม่บรสําเร็จด้วยการสะพึ่งถ่มตนแก่ผู้ใหญ่5้าวิยาวัจจะไม่บรสําเร็จด้วยการค่วยคนขอยในกิจที่ชอบ6ปฏิทานะไม่บรสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเ็ปัตตานโมธนาไม่บรรําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญแปดธรรมัตสวรณะไม่บรสําเร็จด้วยการฟังธรรมเ้า ธรรมเทศนาไม่บุญเาเี่ยด้วยการแสดงธรรมทิพซิปทิพถุกุกรร ม, ก, ก, รรมการทำความเห็นได้ตรงเห็นว่ามีบาปมีบุญเห็นว่ามีมรรคผลนี่ผ่านก็เป็นบุญอยู่ไม่มีกลางวั น, วนกลางคืนทำไมจึงพูดใส่นี่เพราะคุณหม อ, เ, อเขาไม่ให้ลกปู่พูดดังเพราะมันเป็นโรคอันนี้โรคหัวใจนี่นน ธรรมชั้นสูงยังมีอยู่อีกทำใจและวัหวายตรงต่อพระนิพพานทั้งนั้นใครเรียนนโมจบนโมแปลว่านอบน้อมพระทหารเรียนนโมจบใช่ไหมนโมขอนอบน้อมนโมแปลว่านอบน้อมพระพุทธประธรรมพระสงน์นโมเพราะเป็นภาษาบาลีณโมดินะ มะนาโมแปลว่าน้อมน้อมคือมีใจเป็นว่าน้าน้อมน้อมพระพุทธภาษัมภสู์ทีนี้ใครเรียนนโมจบก็พระทหารจำพวกเดียวใช่ไหมพระทหารเรียนนโมจบจนไม่มาเกิดเก่เกียบตายไม่มีโรคมีกูดมีหลงอีกพระรหารเรียนนโมจบพระสวรสดวันเรียนนโมบางเบื้องต้นไม่ใช่ได้ถือศาสนาอื่นไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกับพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเรื่องดียามดี ไม่ใช่ได้อยากร่วงระเมือชิ้นหนาไม่ใช่ได้อยากร่วงระมิดอาวายัยมุฒ ไ, ไ, ไ, ไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่ใช่ได้อยากจะควบมิตชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาไม่ใช่ได้อยากค้าขายเครื่องปหารค้าขายมานุษย์ค้าขายสัตว์เป็นในื่องทัพย์ที่เราค้าเพเป็นอาหาค้าขายน้าเมาค้าขายยาพิษสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระสวดาบันเขารบเรียกว่านา้ำม ไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยจริงไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดจริงนั่นก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายลงลุยหลุมฐานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายอยากจะเอาน้าลายที่อ้วนทิ้งแล้วมาใส่ปากอีกมันลำบากใจไม่มันไม่ลำบากเพราะเห็นดิ่งลงไปแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์พระโสดาวันก็เรีย น, นโมเบื้องต้นเป็นเอกเทศ พระสกทาคามีก็เป็นเอกเทศพระอนาคามีก็เคารพจนไม่มีโรคมีโกรธแต่ไม่หลวงนิดเดียวอนาคารีส่วนพระทหารเคารพจนไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงเรียนนโมโจบแล้วใช่ไหมอันอื่นก็เหมือนกันน่นขยายคําพิจารณามาให้ยอ่อคณะขยายคําย่อให้พิจารณาก็เชื่อแค่นเดียวนั่นเองขึงไปยาวเหยียด ถ้าจะย่นลงมาก็โค้งมากรองไว้หาทีก่กรองก็ไม่มีถ้าจะถึงไปก็ยาวเหยียบทั่วโลกจะนับจนถึงล่างก็นับออกจากลักหน่วยถ้าจะย่นมาก็ย่นมาหารักหน่วยใช่ไหมนหน่วยร้อยพันหมื่นแสนล่าแต่สมัยปัจจุบันนับกันถึงล่างสมัยขั้งพุทธการนับถึงอสงไขยถ้าจะย่นลงมาก็ย่นลงมาหารักหน่วยใช่ไหม พูดมากก็มาออกไปจากใจพูดน้อยก็หาลงมาหาใจพูดแล้วก็ล่วงไปพูดแล้วก็ล่วงไปคืออนิจจังอันละเอียดนึกขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปนึกขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปแล้วก็พูดแล้วก็ล่วงไปตามกราวกันคืออนิจจังอันละเอียดนะใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังก็สังขารจะกองทุกเท่านั้นเป็นผู้พูดผู้ฟังพระนิพพานไม่ได้มาแย่งพูดด้วยไม่เป็นหน้าที่จะวกคืนมา กับเด็กถ้าไฟเกิดไฟดับก็เกิดก็ดับอยู่ค่ะระหว่างไม่ได้ทำมาไาไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ลหาระหว่างไม่ได้ทำทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้งอให้คนรู้จงมาลูกฆ่าเน้อฆ่าเป็นพระเนพานจงมาลูกฆ่าเน้อฆ่าเป็นสังขารทำเหล่านั้นไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ไม่ได้งอใครมีหน้าที่เป็นจริงก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นฆ่านี้เองเป็นกิเลสท่านทั้งหลายจงลูกฆ่าเน้อกิเลสก็ไม่ได้ว่า นั่ น, น, น, น, น, น, นถ้าทำไมมีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้เห็นนั้นเราจึงเคารพทำพระบรมศาสีรานั่นนนั่ น, น, น, น, น